วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2562เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังพระธรรมคำสั่ง คำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้รู้ว่าพระพุทธศาสนานี้มีหน้าที่อย่างไรมีประโยชน์กับเราอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้คุณค่าคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนานเราก็จะ ไม่ได้ตักตวงเอาผลประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากศาสนาแต่ถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาคุณสมบัติของพระพุทธศาสนาว่ามีคุณสมมีคุณสมบัติอย่างไร ทำประโยชน์อย่างไรให้กับเราได้เมื่อเราได้รู้แล้วว่ามีคนมีประโยชน์เราก็จะได้เอาคุณประโยชน์ของศาสนานี้มาทำประโยชน์ให้กับเราถ้าเราได้ศึกษาเราจะรู้ว่าพระพุทธศาสนานี้ ก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลเป็นเหมือนหมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บนี่เองล้วเราจะได้รู้ว่าเหล่านี้ก็เป็นเหมือนคนไข้คนไม่สบายคนที่มีความเจ็บทางจิตใจาศาสนานี้เป็นโรงพยาบาลสำหรับรักษาความไม่สบายใจต่างๆ ไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลที่จะรักษาความไม่สบายของทางร่างกายความไม่สบายของทางร่างกายเราก็ต้องไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆแต่ถ้าเรามีความไม่สบายใจเราก็ต้องมารักษาที่โรงพยาบาลของของจิตใจ ก็คือเราต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนาจะได้วิเคราะห์บอกเราว่าตอนนี้เราเป็นโรคอะไรแล้วต้องใช้วิธีรักษาอย่างไรถ้าเราทำตามที่หมอสั่งหมอบอกเราเราก็จะ สามารถรักษาโรคคือความไม่สบายใจของพวกเราให้หายไปได้นี่คือสิ่งแรกที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราเข้ามาหาพระศาสนาหาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ท, จที่จะสอนบอกพวกเราให้รู้ว่า เรากำลังเป็นโรคอะไรกันอยู่และเราจะแก้รักษาโรคนี้ให้หายขาดได้อย่างไรพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ถ้าเราต้องการรักษาให้หายขาดเราก็ต้องทําตามที่หมอสั่งเหมือนกับเวลาที่เราไปรักษาโรคทางร่างกาย ที่โรงพยาบาลหมอก็จะบอกว่าเป็นโรคมะเรง็งเป็นโรคหัวใจเป็นโรคตับโรคไตวิธีที่จะรักษาโรคแต่ละชนิดก็มีต่างกันไปเราก็ต้องทำตามที่หมอสั่งหมอบอกให้ฉีดยาก็ต้องฉีดยาหมอบอกให้รับประทานยาก็ต้องรับประทานยาหมอบอกให้ผ่าตัด ก็ต้องผ่าตัดหมอบอกให้ฉายแสงก็ต้องฉายแสงหมอบอกให้ทำกายภาพบาบัดก็ต้องทำกายภาพบาบัดไปตามคำสั่งคาคสั่งของหมอพอเราได้ทำตามคำสั่งของหมอทุกประการเดี๋ยวโรคภัยแค่เจ็บที่เรามีอยู่ก็จะหายได้ฉันใด ถ้าเรามาหาหมอที่วัดหาหมอใจคือมาหาพระพุทธพระธรรมหรือประสงค์ที่เป็นเหมือนหมอรักษาโรคของใจของพวกเราหมอก็จะบอกว่าเรามีโรคคือความไม่สบายใจและความไม่สบายใจของเรานี้ก็จากการที่เรามาติดอยู่ ในการเวียนว่ายตายเกิดเรามาติดอยู่ในสังสารวัตรในตรภพเนี่ยตภพนี้มีอยู่สามพพมีกายภพรูปภพและอรูปภพหมอจะบอกว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจที่มาได้ร่างกาย ตอนที่ได้มาเกิดในภพของมนุษย์ในภพของการมาภพเป็นที่อยู่ของมนุษย์เรามาได้ร่างกายแล้วเราก็มาอาศัยร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆแล้วหลังจากนั้นต่อไปไม่นาน ร่างกายของพวกเราก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตายไปพอร่างกายของพวกเราตายไปใจคือพวกเราก็จะอยู่แบบไม่มีร่างกายจะอยู่แบบดวงวิญญาณที่มีแบ่งเป็นสองพวกด้วยกัน พวกวิญญาณที่มีความสุขและพวกวิญญาณที่มีความทุกข์พวกที่มีพวกวิญญาณที่มีความสุขก็เพราะว่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้ทำบุญทำทานได้สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆพวกที่เป็นดวงวิญญาณที่มีความทุกข์เพราะเวลาที่อยู่เป็นมนุษย์ ได้ทำบาปทำกรรมต่างๆไว้พอร่างกายตายไปจิตใจก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่ทาบุญที่ได้ทำบุญมาก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขก็มีหลายระดับด้วยกันระดับของเทวดาระดับของพรหมอยู่ขึ้นอยู่กับบุญกุศล ที่ได้ทำไว้ในขณะที่เป็นมนุษย์ทำบุญทำทานไม่ทำบาปก็จะได้เป็นเทวดาชั้นต่างๆถ้าได้ฝึกสมาธิได้ถือศีลแปดก็จะได้เป็นพรหมถ้านั่งสมาธิแล้วจิตสงบได้ฌานขั้นระดับที่หนึ่งเรียกว่ารูปฌปานก็จะได้ไป เกิดเป็นพรหมอยู่ในรูปภพนถ้านั่งสมาธิเข้าฌานระดับที่สองที่เรียกว่าอารูปฌานก็จะได้ไปเกิดในอรูปภพเนีเป็นภพที่มีความสุขมากที่สุดคืออรูปภพรองลงมาก็คือรูปภพและรองลงมาก็คือกามภพ การมาพบก็เป็นพบของเทวดาพบของมนุษย์ในซีกที่เป็นความสุขแล้วก็มีซีกที่เป็นความทุกข์ในการมาพบซีกที่เป็นความทุกข์เราก็เรียกว่าอบายถ้าได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณของเปรต ของอสูรกายและของนรกนี่แหละคือจิตใจของพวกเราหรือตัวเราเนี่ยพวกเรานี้เป็นจิตใจไม่ได้เป็นร่างกายพวกเรามาได้ร่างกายตอนที่จิตใจของเรานี้อยู่ในระหว่างบุญกับบาป เกอบุญก็มีไม่มากกว่าบาปบาปก็มีไม่มากกว่าบุญเวลานั้นจิตใจของพวกเราก็จะได้มาได้ร่างกายพอเราได้ร่างกายแล้วเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆคือความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพราะว่าเรา จิตใจของพวกเรานี้มีความอยากที่เรียกว่ากามตัณหาคือความอยากเสพกามนั่นเองกามก็คือกามคุณหา้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่เราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือ ในการเสพในการสัมผัสเนี่ยถ้าเรามีความอยากในการดวงวิญญาณของเราเวลาที่ไม่มีร่างกายก็จะเล่ร่อนรอหาร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปเสพรูปเสียงเกล่นรสนั่นเอง เพราะว่าร่างกายนี้จะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีร่างกายที่จะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะต่างๆเวลาที่ร่างกายได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาถ้าได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกอกถูกใจ แต่บางครั้งก็ไปเสพสัมผัสกับรูปเสียงกันกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือปัญหาของใจของพวกเราที่มีปัญหาตรงที่ความไม่สบายใจนี้เพราะ เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลพทธพะที่ทําให้เราไม่สบายใจกันหมอก็จะบอกว่าถ้าอยากจะรักษาความไม่สบายใจของพวกเราที่เกิดจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลพทธพะก็อย่าไปเสบปัญหาเหมือนกับกินอาหารชนิดนี้แล้วมันทําให้ท้องเสียถ้าไม่อยากจะให้ท้องเสีย ก็อย่าไปกินอาหารชนิดนั้นถ้ากินทีไรมันก็จะต้องท้องเสียทุกทีนี่คือความไม่สบายใจของพวกเราเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันเราจะมาหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระเสพกันเป็นเหมือนอาหารชนิดต่างๆที่เรารับประทานกันซึ่งบางครั้งอาหารบางชนิด ก็ทำให้เราท้องเสียทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยทำให้เราเป็นโรคชนิดต่างๆได้ถ้าเราไปหาหมอหมอก็จะวิเคราะห์ดูแล้วหมอก็จะบอกว่ า, ากวนวัดอาหารชนิดนี้นะเพราะว่ามันมีไขมันมากรับประทานก็ไปแล้วจะทำให้ดอดเลือดอุดตันจะทาให้เกิดอมัมพฤกษ์อัมาพาต จะทำให้เป็นโรคหัวใจอาหารบางชนิดก็มีผลเสียกับตับกับไตเครื่องดื่มบางชนิดเช่นสุรายาเมาถ้าดื่มสุรามากๆ ก, ก็จะไปทำให้กเกิดโรคตับโรคไตขึ้นมารัประทานของหวานหวานมากๆ ก, ก็จะทำให้เกิดเบาหวาน จะทำให้มีปัญหากับโลคไตกับเลือกกับไตต่อไปก็จะต้องซักพอกไตหมอก็จะวิเคราะห์ให้เรารู้ว่าเราเป็นโรคอะไรกันแล้วถ้าเราอยากจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคชนิดต่างๆเราก็ต้องหลีกเลี่ยงวิธีบริโภคอาหารและเครื่องดื่มชนิดต่างๆนี้เองฉันใด ถ้าเรามาหาพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็จะบอกเราว่าความไม่สบายใจของพวกเรานี้เกิดจากการที่เราไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆนั่นเองซึ่งพอเสพแล้วมันก็ทำให้เราเกิดความไม่สบายใจขึ้นมากันถ้าเราไม่อยากจะมีความไม่สบายใจ เราก็ต้องอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะกันแล้ววิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องไปเสพรูปเสียงผลตภะกลิ่นรสผลตภะก็คือให้เราไปเสบอย่างอื่นแทนไปหาความสุขแบบอื่นแทนไปหาความสุขแบบที่จะไม่ทําให้เรามีความไม่สบายใจความสุข ของศาสนาที่สอนให้พวกเรามาหากันก็คือให้มาหาความสุขจากการทําบุญทําทานให้มาหาความสุขจากการรักษาศีลให้มาหาความสุขจากการทําใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิด้วยการศึกษาธรรมะเพื่อให้เกิดปัญญาที่จะสร้างความสุขต่างๆ ให้เป็นความสุขที่จีรังทาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดที่จะทําให้เราเลิกการที่ไปเสบรูปเสียงกดลิ่นรสผดทะพะชนิดต่างๆได้นั่นเองพอถ้าเราไปเสบรูปเสียงกดลดิ่นรสเราก็จะต้องเจอความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เราไม่สบายใจกับอะไรก็ไม่สบายกับรูปที่เราเห็น กับเสียงที่เราได้ยินกับกลิ่นที่เราได้ดมกับรสที่เราได้สัมผัส ท, ทั้งทิศทางลิน้นและกับปุถพระที่เราสัมผัสทางร่างกายร่างกายบางทีก็สัมผัสกับของร้อนก็ไม่สบายสัมผัสกับของหนาวก็ไม่สบายสัมผัสกับของแหลมคมก็ไม่สบายเพราะว่านี่มัน เป็นธรรมชาติของรูปเสียงกิดลดผลทพะนี้เองที่นอกจากจะให้ความสุขกับเราแล้วก็จะให้ความไม่สบายใจกับเราด้วยถ้าเรายังเสพ ร, รูปเสียงกิจลดผลทพะอยู่เราก็จะต้องเจอกับความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะรักษา ความโลกของความไม่สบายใจของเราให้หมดไปเราก็ต้องหลีกเลี่ยงการเสด็จรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแล้วมาเสด บ, บุญเสดกุศลแทนบุญกุศลนี้ก็เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึง่งเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสเราเสด็รูปเสียงกลิ่นรสเราได้รับความสุขอย่างไร เราเสพ บ, บุญเสพกุศลเราก็จะได้ความสุขเหมือนกันและก็เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการเสพรูปเสียง ก, กลิ่นรสผลทพะเพราะว่าไม่มีความไม่สบายใจตามมานั่นเองถ้าเรายังเสพรูปเสียง ก, ก, กลิ่นรสผลทพะอยู่เราก็ยังจะต้องมีความไม่สบายใจไปเรื่อยๆเพราะนี้มันเป็น ผลของการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลภานั่นเองเราจะได้ทั้งความสบายใจและได้ทั้งความไม่สบายใจมาพร้อมๆกันมาด้วยกันมาตามหลังกันมาตอนต้นเราจะได้ความสบายใจเวลาเราเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยากดูอะไรอยากฟังอะไรอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอะไร พอเราได้สัมผัสแล้วเราก็มีความสบายใจแต่ต่อไปวันข้างหน้าเราอาจจะไม่สามารถเสบรูปเสียงกลิ่นนสดตามที่เราต้องการก็ได้เพราะร่างกายของเราก็จะมีความเสื่อมลงไปเรื่อยๆจะมีความแก่ความชรามีการเจ็บไข้ได้ป่วย พอร่างกายเราอยู่ในสภาพเหล่านั้นการจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็จะทำได้ยากขึ้นนอกจากนั้นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพกันเวลาที่เราได้มาเราก็มีความสุขใจเวลาที่มันจากไปมันก็ทำให้เราทุกข์ใจนี่คือผลที่เราจะได้รับ ถ้าเรายัางหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยู่ถ้าเราไม่อยากจะเจอกับความไม่สบายใจต่างๆที่จะตามมาจากการที่เราได้เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีเสบความสุขแห้มาเสบความสุขจากการทำบุญทำกุศลแทนเวลาทำบุญทำกุศลเราก็จะได้ความสุข และก็ดีกว่าความสุขจากรูปเสียงกลิน่นรสเพราะจะไม่มีความไม่สบายใจตามมาการทำบุญทำกุศลนี้จะมีแต่ความสุขใจสบายใจความไม่สบายใจที่เกิดจากการทำบุญทำกุศลนี้จะไม่มีนี่ะคือปัญหาของพวกเราถ้าเราไม่ได้เข้าหาพระพุทธศาสนา ไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าปัญหาของพวกเรานี้อยู่ที่ตรงไหนและจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแต่ถ้าเราได้มาหาพระพุทธศาสนาได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เรียนรู้ปัญหาของพวกเรา ว่าเกิดจากอะไรปัญหาแรกก็เกิดจากความไม่รู้ตัวเราเองว่าเราเป็นใครถ้าเราไม่ได้มาศึกษาจากพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นดวงจิตดวงใจเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้เราที่เราใช้พาเราไปหาความสุขต่างๆ ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและไม่นานร่นางกายนี้ก็ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปถ้าเราได้มาศึกษาได้มารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายมันก็จะช่วยทำให้เรานี้บรรเทาความไม่สบายใจเกี่ยวกับร่างกายไปได้อย่างมากมาย ทุกวันนี้ความไม่สบายใจส่วนหนึ่งของพวกเราก็เกิดจากการที่เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายนั่นเองพอเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็รักร่างกายหวงร่างกายไม่อยากให้ร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราก็ไม่มีความสามารถที่จะห้ามไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ พอเราต้องเจอกับความแก่ความเจ็บความตายหรือยังไม่ทันเจอเพียงแต่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราได้มาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะได้เรียนรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอเรารู้แล้วต่อไปเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยได้เพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นนี้เรามีความไม่สบายใจไหมเวลาเห็นเขาแก่เห็นเขาเจ็บเห็นเขาตายเราก็รู้สึกเฉยเฉย พะเรารู้ว่าไม่ได้เป็นตัวเรานั่นเองฉันใดร่างกายของพวกเรานี้ก็เหมือนกันมันไม่ได้เป็นตัวเราเราเป็นจิตใจผู้ที่มาอาศัยมาครอบครองร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายพาเราไปทำอะไรต่างๆให้เกิดความสุขความสบายใจเท่านั้นเอง ในขณะเดียวกันการหาความสุขผ่านัาง่งทางร่างกายมันก็มีความไม่สบายใจตามมาด้ว ย, ยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าหาความสุขผ่านทางร่างกายอย่าหาความสุขด้วยการหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพเพราะมันจะ นำพามาซึ่งความไม่สบายใจต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสผลตภั พ, ท, พที่เราเสพมันก็ทำให้เราไม่สบายใจได้ร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือเสพรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ทำให้เราไม่สบายใจได้เพรา ะ, ะมันจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปนั่นเองถ้าเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันใหม่ แท น, นที่จะหาความสุขจากผ่านทางร่างกายผ่านรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเรามาหาความสุขผ่านทางบุญทางกุศลดีกว่าใช้บุญกุศลนี้ให้ความสุขกับเราพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราหาความสุขจากการทำบุญทําทานหาความสุขจากการรักษาศีลหาความสุขจากการภาวนา การปฏิบัติธรรมที่มีอยู่สองระดับระดับสมถภาวนาคือระดับสมาธิและระดับวิปัสนาภ า, าวนาคือระดับปัญญาถ้าเราสามารถหาความสุขจากบุญจากกุศลจากระดับต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกาย ไม่ต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิน่นรสผลตพะพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิน่นรสผลตพะมาให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่เกิดความไม่สบายใจเวลาที่เราสัมผัสกับรูปเสียงกลิน่นรสผลพธภะที่ไม่ถูกใจหรือเวลาที่ร่างกายของเราเป็นอะไรไป เราก็จะไม่รู้สึกไม่สบายใจแต่อย่างใดเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราไม่ต้องเรารู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราพร้อมที่จะให้มันจากเราไปได้ทุกเวลานาทีเพราะเราไม่ต้องพึ่งร่างกายหาความสุขอีกแล้ว ถ้าเราสามารถหาความสุขจากบุญจากกุศลได้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราสิ่งที่เราจะต้องทํากันก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันหามาหาความสุขจากบุญจากกุศลในระดับต่างๆหาจากระดับง่ายขึ้นไปสู่ระดับยากตามลำดับ ระดับง่ายที่สุดก็คือหาบุญหากุศลจากการเสียเงินเสียทองใช้เงินใช้ทองซื้อบุญซื้อกุศลบุญกุศลชนิดต่างๆที่เราใช้ด้วยเงินทองนี้เรียกว่าทานเราใช้เรามีเงินมีทองเรามีทางเลือกในการหาความสุขได้สองทางเอาเงินทองไปซื้อความสุข ทางตาหูจมูกมิ้นกายเพื่อได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพมาเสกเราก็จะได้ความสุขแบบที่มีความไม่สบายใจตามมาแต่ถ้าเราเอาเงินเอาทองไปซื้อความสุขด้วยการทำบุญทำทานชนิดต่างๆไม่ว่าจะทำบุญกับวัดก็ได้ทำบุญกับโรงเรียนก็ได้ทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ ทำบุญกับบุคคลต่างๆเช่นบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายทำบุญกับคนที่ยากไร้ทำบุญกับคนที่เดือดร้อนหรือทำบุญกับสัตว์เดรัจานการทำบุญเหล่านี้ก็เป็นการซื้อความสุขซื้อบุญกุศลมาให้ความสุขกับเราะอแต่เป็นบุญเป็นความสุขที่ดีกว่า บุญที่เราจะได้รับจากการไปซื้อรูปเสียงกิริย์ลมาเสพเพราะจะไม่มีความไม่สบายใจตามมารับประกันได้เวลาญาติโยมไปทำบุญทำทานนี้ไม่มีใครบ่นว่าไม่สบายใจกันทำแล้วมีความสบายใจมีความสุขกันไม่เหมือนกับการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อแล้วบางทีก็ต้องมาไม่สบายใจเวลาเงินหมด เวลาเงินหมดอยากไปเที่ยวอีกก็ไม่ได้ไปเที่ยวก็เกิดความไม่สบายใจเวลาอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆพอไม่มีเงินซื้อก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไปทำบุญทำกุศลเวลาไม่มีเงินทองไปทำบุญเราจะไม่รู้สึกไม่สบายใจไม่มีเราก็หยุดทำไว้ก่อนเท่านั้นเองแต่ความไม่สบายใจจะไม่ตามมา และความสุขใจที่ได้จากการทำบุญก็ยังติดอยู่ในใจของเราอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เรานึกถึงบุญที่เราทำทีไรเราก็จะก่อความรู้สึกสุ ข, สขใจอิ่มใจขึ้นมาทุกครั้งไป น, นี่คือวิธีการที่เราจะมาแก้ปัญหาของความไม่สบายใจของพวกเราเราต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน เลิกหาความสุขผ่านทางร่างกายผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นความสุขที่จะมีความไม่สบายใจตามมาเพราะว่าหนึ่งของรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้มาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปพอจางหายไปมันก็ปล่อยให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ ทำให้เรารู้สึกไม่มีความสุขเราก็ต้องไปหามาเติมอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเราสะดุดมีปัญหาไม่สามารถเติมความสุขไม่สามารถเติมรูปเสียงกลิ่นรสผลทพพาได้เราก็จะก็มีความรู้สึกไม่สบายใจเวลาเราขาดเงินขาดทองไม่สามารถไปเที่ยวไปซื้อสิ่งต่างๆที่เราเคยซื้อได้เราก็จะรู้สึกออ่ ไม่สบายใจกันแล้วเวลาที่ร่างกายเรามีปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาชราหรือเวลาจะตายมันก็จะทำให้เรายิ่งไม่สบายใจขึ้นไปใหญ่นี่คือปัญหาถ้าเรายังหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุถธพะผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่เราก็จะต้องเจอกับ ความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆไปจนวันตายแล้วมันไม่ได้หมดไปที่วันตายด้วยเพราะว่าที่ตายก็เป็นเพียงร่างกายผู้ที่ยังต้องการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภ พ, พะอยู่คือใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มาเสบรูปเสียงกลิ่นรส แล้วจะได้เสพกับความไม่สบายใจที่จะตามมาอีกต่อไปเพราะถ้าตราบใดเราไม่สามารถกาจัดความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดปอดภาได้ใจก็จะถูกความอยากนี้ฉุดลากให้ไปมีร่างกายอยู่เรื่อยๆต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันเก่าตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ ช่วงที่รอรับร่างกายอันใหม่ก็เป็นช่วงที่จะต้องไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆเป็นดวงวิญญาณชนิดที่มีความสุขถ้าได้ทําบุญทํากุศลไว้มากกว่าบาปถ้าทําบาปมากกว่าบุญก็จะได้ดวงวิญญาณที่มีแต่มีความทุกข์มากกว่ามีความสุขนะพอได้เวลาได้รับร่างกายอันใหม่ ก็จะกลับมาหาความสุขผ่านทางร่างกายอันใหม่แล้วก็มารับความไม่สบายใจที่เกิดจากการมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรดผ่านทางร่างกายอีกนี่แหละที่เรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเวียนว่ายตายเกิดกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ที่เป็นเหมือนหมอที่จะบอกว่าวิธีบริโภคอาหารของพวกเราวิธีบริโภคเครื่องดื่มของพวกเรานี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สบายกันถ้าเรารู้จักวิธีบริโภคของที่สะอาดของที่ปราศจากพิษภัยต่างๆเราก็จะไม่ต้องมาหาหมอไม่ต้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลกัน ถ้าเราเชื่อหมอล้เราเปลี่ยนวิธีบริโภคของเราเลิกบริโภคของหวานหวานเลิกบริโภคของมันมันของเค็มเค็มคือบริโภคได้พอประมาณแต่อย่าให้มันมากจนเกินไปจนกลายเป็นพิษต่อร่างกายร่างกายก็จะอยู่ป่อสัจากโรคภัยไข้เจ็บไปตลอดอันนี้ก็เหมือนกันพอเราได้มาเจอกับพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็จะบอกให้พวกเราเลิกบริโภคกามกันอย่าไปหาความสุขจากลิกเสียงกลิ่นลดผลทพากันให้มาหาความสุขจากการทําบุญทําทานจากการรักษาศีลและจากการภาวนากันเพราะเราจะได้รับความสุขที่ปราศจากความทุกข์ปราศจากความไม่สบายใจต่างๆและเราจะได้ ไม่ต้องกลับมาทุก ก, กับการมีร่างกายอีกต่อไปเพราะเมื่อเราเลิกบริโภครูปเสียงกลิ่นลดผลทปพระเราก็ไม่ต้องมีร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็จะไม่มีอะไรมาผลักดันให้เราไปหาร่างกายอันใหม่อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนา จะมอบให้กับเราคุณประโยชน์ของศาสนาจะสอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครกันแนะ่เราเป็นน่างกายหรือเป็นจิตใจแล้วเรามีปัญหาคือว่าไม่สบายจใจต่างๆนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากการบริโภคความสุขที่ผิดนั่นเองไปหาความสุขจากลูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ มันก็เลยทำให้เราต้องเจอกับความไม่สบายใจต่างๆถ้าเราเลิกบริโภคความสุขจากลูกเสียงกลิ่นลดผดผพะแล้วมาบริโภคความสุขจากบุญจากกุศลความไม่สบายใจต่างๆที่เราเคยมีอยู่มันก็จะค่อยลดน้อยถอยไปหายไปและหมดไปได้ในที่สุดตามกำลังของการบริโภคบุญกุศล ที่พวกเราจะมาหัดบริโภคกันมาหัดสร้างบุญสร้างกุศลในระดับต่างๆระดับแรกก็คือเรามาบริโภคบุญกุศลด้วยการทำบุญทาทานแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เอาไปทำบุญทาทานชนิดที่เราชอบไม่จำเป็นจะต้องทำกับวัดเสมอไป แต่การทํากับวัดนี้มันก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราถือว่าเป็นเป้าหมายอันดับแรกของการทําบุญทําทานเพราะว่าวัดหรือศาสนานี้เป็นเหมือนโรงพยาบาลเหมือนหมอนั่นเองที่เราจะต้องมีไว้คอยรักษาโรคความไม่สบายใจของพวกเราอย่างนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธเรามักจะเลือกทําบุญกับวัดก่อนทําบุญกับพระ เพื่อที่เราจะได้มีศาสนามาคอยสอนมาคอยบอกวิธีแก้ปัญหาความไม่สบายใจต่างๆของพวกเราถ้าเราไม่มีศาสนาเราจะไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาความไม่สบายใจต่างๆของพวกเราแต่ถ้าเราได้ดูแลศาสนาครบบริบูรณ์แล้วเราก็สามารถที่จะแบ่งไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ แม้แต่พระบางรูปท่านก็ยังเวลาที่วัดของท่านได้รับการช่วยเหลือดูแลพอเพียงแล้วถ้ามีส่วนเกินท่านก็ไม่เก็บไว้ในวัดท่านก็แบ่งไปช่วยเหลือส่วนที่ขาดขส่วนที่ขาดแคลนส่วนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างถ้าเราศึกษาประวัติของพระหลวงตามหาบัวเราจะรู้ว่า ญาญโยมที่ไปทําบุญกับท่านนี้ทํามากจนเงินทองที่ได้รับนี้มากกว่าที่จะใช้กับวัดได้ท่านก็แบ่งไปช่วยเหลือทางอื่นที่ขาดแคลนเช่นทางโรงพยาบาลต่างๆท่านก็จะช่วยเหลือซื้อรถรถพยาบาลซื้อเครื่องม้เครื่องมือและสร้างอาคารพยาบาลรักษาโาครคภัยไข้เจ็บนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลถึงแม้ว่าตัวท่านเองไม่ต้องมีบุญกุศลระดับนี้แล้วก็ตามแต่ท่านก็เห็นคุณประโยชน์ของการที่เอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลสร้าง อ, าอะไรต่างๆเพื่อทำให้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือดูแลนั่นเองอดังนั้น การทำบุญทำทานนี้ทำให้การทำบุญทําทานเพื่อให้ใจเรามีความสุขนี้เราสามารถเลือกทำได้ตามที่เราต้องการสำหรับพวกเราสิ่งแรกที่เราควรทำก่อนก็คือบิดามันดาทำบุญกับพระในบ้านของเราก่อนเพราะบิดามันดาเป็นผู้มีพระคุณกับเราอย่างมากเราไม่ควรปล่อยให้บิดามานดาอยู่แบบอัตคัดกัดจน อยู่แบบยากลำบากเราอยู่ดีกับท่านนี่ถือว่าผิดท่านต้องอยู่ดีกับเราจึงถือว่าถูกขั้นแรกเราต้องดูแลบิดามาันดาก่อนว่าท่านอยู่ดีกินดีหรือไม่ท่านทุกข์ยากเดือดร้อนหรือไม่ถ้าท่านทุกข์ยากเดือดร้อนเราต้องดูแลท่านก่อนแล้วเราค่อยออกไปทำบุญกับวัดต่อไป สิ่งแรกก็คือบิดามารดาผู้มีพระคุณทางร่างกายแล้วต่อไปก็ไปที่วัดผู้มีพระคุณทางจิตใจวัดพ่อแม่ไปให้ร่างกายกับเราวัดก็ให้ความสุขทางจิตใจกับเราเราก็ไปทำที่วัดถ้าวัดพอแล้วพ่อแม่พอแล้วเราก็เลือกทำที่อื่นต่อไปได้เราชอบทำแบบไหนกับใครเราก็ทำได้ บางคนก็ชอบปล่อยนกปล่อยปลาก็ไปปล่อยนกปล่อยปลากันบางคนชอบถ่ายโคถ่ายวัวก็ไปถ่ายชีวิตของวัวของโคกันบางคนชอบไปทําบุญที่โรงพยาบาลบางคนชอบทําบุญที่โรงเรียนให้ทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ อะไรต่างๆอย่างสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็ทำบุญกับเด็กนักเรียนที่ยากไร้สร้างโรงเรียนขึ้นมาโรงเรียนกินนอนอยู่ฟรีกินฟรีสามปีระดับหมหนึ่งถึงมสามท่านต้องการเอาเด็กยากจนยากไร้มาเรียนหนังสือเพื่อที่จะได้เรียนทั้งทางโลกและทางธรรมโรงเรียนของท่านนี้ จะมีพระไปสอนศีลธรรมด้วยจะสอนเด็กให้รู้จักคุณธรรมต่างๆเช่นความกตัญญูกตวเวทีความการมีสัมมาคารวะสมเด็จสังฆราชเวลาที่มีญาติโยมไปทำบุญกับท่านจดเงินที่ท่านได้รับนี้มากกว่าที่จะมาใช้กับาศาสนาได้ท่านก็แบ่งเอาไปทำบุญกับเด็กยากร้ เพราะท่านอยากจะให้เด็กนี้มีความรู้ทางทางาศาสนานั่นเองทางศิลธรรมเพราะในยุคปัจจุบันนี้การศึกษาทางของรัฐบาลนี้จะลดการสอนเรื่องศิลธรรมจัดยาบันต่างๆลงไปทำให้เด็กนี้ขาดคุณสมบัติที่ดีคือความกะตันยูกะตะเวทีการมีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ อันนี้และความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันอันนี้ท่านเลยต้องสร้างโรงเรียนขึ้นมาแล้วก็ไม่คิดเงินทองให้มาอยู่ฟรีกินฟรีตลอดระยะเวลาสามปีคือตั้งแต่ม .1 ขึ้นไปถึงม .3 ไม่ให้ทุกอย่างค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือค่าอาหาร ถ้าอยู่ข่ากินอะไรต่างๆเด็กไม่ต้องเสียเลยเพียงแต่มาอยู่แล้วทาตามกฎระเบียบของโรงเรียนเท่านั้นเองหลังจากสามปีจบไปนี้เด็กนี้เปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหนังมือเด็กที่ไม่รู้จักสัมมาคารวะไม่รู้จักความกตัญญูกตเวทีไม่รู้จกกักศีลห้าเป็นอย่างไรจะกลายเป็นเด็กที่มีคุณธรรมขึ้นมา ไม่เสพอบายามุขไม่เล่นการพ น, นันไม่เดิมสุรายาเมาไม่เที่ยวเตะไม่เกียดค้านอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทําบุญทําทานของแต่ละท่านทําได้แม้แต่พระยังไปทําบุญกับญาติโยมได้แล้วทําไมญาติโยมจะทําบุญกับญาติโยมไม่ได้ ยาโยมบางคนถ้าไม่มาศึกษาก็จะคิดว่าต้องทําบุญกับวัดเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญแต่ความจริงทําบุญกับใครก็ได้บุญทั้งนั้นเพียงแต่ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากบุคคลที่เราไปทําบุญด้วยนั้นอาจจะต่างกันถ้าทําบุญกับวัดนี้จะได้รับประโยชน์ที่สูงสุดเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้จากวัดว่าเราเป็นใครเรากําลังมีปัญหา อยู่ที่ตรงไหนและจะแก้ปัญหาของเราได้อย่างไรถ้าไม่มีวัดไม่มีศาสนาเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรกันอยู่ถึงแม้จะรู้ว่าเราไม่สบายใจแต่เราก็จะไม่รู้จักวิธีแก้ความไม่สบายใจที่ถูกต้องที่จะทำให้ความไม่สบายใจต่างๆของพวกเราหายไปหมดเราก็จะแก้แบบแบบ ชั่วครั้งชั่วคราวแก้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลับเดี๋ยวก็กลับมาใหม่พอไม่สบายใจก็ไปเที่ยวมันก็หายไปชั่วคราวพอกลับมาเดี๋ยวก็ไม่สบายใจใหม่ก็กลับมาอีกเนี่ยมันจะไม่มีวันหายถ้าเราแก้วความไม่สบายใจด้วยการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพธะชนิดต่างๆเราจะแก้ปัญหาได้ต่อเมื่อเราได้มาเจอกับพระพุทธศาสนา ได้มาได้ยินได้ฟังธรรมได้คำฟังคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรายุติการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพุธภพากันถ้าเราจะเอาเงินไปใช้ซื้อรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆเช่นซื้อข้าวของที่ไม่จำเป็นไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การหาความสุขแบบนี้ไม่ได้เป็นการหาไม่ได้เป็นการกำจัดความไม่สบายใจไม่ได้เป็นการกำจัดความไม่สบายใจแต่เป็นการเพิ่มความไม่สบายใจให้มีอยู่เรื่อยๆวิธีที่จะทําให้ความไม่สบายใจลดน้อยถอยลงไป ก็คือเอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนี้มาซื้อความสุขทางบุญทางกุศลมาทำบุญชนิดต่างๆตามแ ต, ต, ต, ต, ต่เราอยากจะทำกันถ้าทำตามหลักทำก็เบื้องต้นก็ทำกับผู้บีบพระคุณก่อนทำกับบิดามารดาทำกับศาสนาของเรา พอบิดามารดาศาสนาของเรานี่พอเพียงแล้วเราก็มาทำกับคนอื่นต่อไปถ้าเรามีพาระมีบุตรมีทิดาก็ต้องทำบุญกับบุตรทิดาก่อนทำกับสามีทำกับภรรยาก่อนพอทางนี้พอเพียงแล้วเราก็แบ่งไปทำกับญาติสนิทมิตรสหายที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนต่อไปพ อ, อนอกจากนั้นก็ไป ดูแลผู้ที่เขายากไร่ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ที่โรงเรียนก็ช่วยเหลือกันไปตามกำลังแล้วถ้ายังมีเหลืออยู่ก็ไปช่วยเหลือสัตว์เดรัจฉานต่อไปอันนี้เราสามารถเลือกทำบุญได้ตามความชอบของเราถ้าเราทำในเรื่องที่เราชอบเราจะเห็นผลทันที ทำเราจะเกิดความรู้สึกปลื้มปิติเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไปทำแบบที่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบหรือเราไม่รู้ว่าทำแล้วได้อะไรบางทีทำไปแล้วบางทีเราไม่เกิดความรู้สึกปลื้มปิติเช่นช่วงออกพรรษานี่จะมีคนยื่นซองมาให้เยอะแยะไปหมดเนี่ยซองกรถินซองผ้า่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรกันบ้าง พอทำแล้วบางทีก็ไม่รู้สึกเพิ้มปิติรู้สึกอิ่มใจสุขใจมากนะัอาจจะสุขบ้างแต่ก็สุขแบบฝืนๆแบบเพราะว่าเป็นเหมือนถูกกึ่งบังคับให้ทำทำบุญแบบนี้จะมีความรู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้บุญเหมือนกับทาแบบที่เราอยากจะทำนะยิ่นถ้าอยากจะเห็นความสุขที่ได้จากการทำบุญคนเลือกทำบุญแบบที่เราอยากจะทำที่เราชอบทำ ทำแล้วจะเกิดมีคาวามรู้สึกสุขใจสบายใจขึ้นมาแล้วเวลาไม่มีเงินทองทำก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่เหมือนกับเวลาไปเที่ยวเวลาไม่มีเงินเที่ยวต่อไปจะรู้จะรู้สึกเดือดร้อนเคยออกไปเที่ยวนอกบ้านทุกวันทุกวันพอไม่มีเงินไปเที่ยวนี้ต้องอยู่บ้านนี้จะรู้สึกไม่สบายใจเบื่อซึมเศร้าขึ้นมานี่แหละ ความแตกต่างวิธีการหาบุญแบบที่พวกเราทากันกับแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำกันพยายามบังคับตัวเราเพราะว่าไม่บังคับมันจะทำไม่ได้เพราะเราจะถนัดกับการทำบุญแบบเก่าแบบที่จะทาให้เราต้องไม่สบายใจต่อมาเราก็ต้องใช้ความจริงอันนี้มาสอนเราว่าถ้าเราไปทาบุญแบบเก่า เดี๋ยวเราจะต้องเจอความไม่สบายใจเวลาที่เราไม่สามารถไปทำได้เช่นเวลาเราไม่สบายเวลาที่เราไม่มีเงินทองแทนเราก็จะมีความไม่สบายใจแต่ถ้าเรามาทำบุญแบบที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำทำบุญทำทานเวลาเราไม่มีเงินไปทำเวลาที่เราไม่สบายไปทำไม่ได้เราจะไม่รู้สึกไม่สบายใจ เราจะรู้สึกเฉยๆอยู่บ้านได้ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราไม่ไม่ต้องไปออกนอกบ้านเพื่อไปหาความสุขแบบเมื่อก่อนเราหาความสุขจากการทำบุญพอเราไม่มีเงินทำบุญแร้อไม่สามารถไปทำบุญได้เราก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนเรายัางอาศัยบุญที่เราทำนี้มาหล่อเลี้ยงเราได้ เรานึกถึงบุญที่เราเคยทำเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาทันทีนะนี่คือระดับที่หนึ่งของการทำบุญด้วยบุญกุศลคือด้วยการทำทานชนิดต่างๆระดับที่สองก็ให้เรามาทำบุญด้วยการนักษาศีลกันให้เราเละเว้นจากการกระทำบาปเพราะเวลาเราทำบาปนี้ใจของเราจะทุกข์จะร้อนขึ้นมานั่นเอง ถ้าเราไม่ทำบาปใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่ร้อนใจของเราจะเย็นจะสบายความไม่สบายใจของเราเกิดจากการทำบาปของเราไม่เชื่อลองสังเกตดูลองไปทำบาปดูแล้วรู้สึกสบายใจหรือไม่สบายใจญาติโยมบางคนถึงแม้ไม่ได้ทำบาปแต่ก็เหมือนกับทำบาปก็ไม่ยังไม่สบายใจเช่นขับรถไปแล้วหมาวิ่งตัดหน้าชนหมาตาย ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่ไม่เป็นบาปแต่ไม่รู้แต่ถ้ามาศึกษาจากศาสนาการจะทำเป็นบาปได้ น, นิดหนึ่งต้องมีเจตนามีความตั้งใจเมื่อตั้งใจแล้วก็มีการกระทำทำให้เกิดความเสียหายเช่นทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตอันนี้หละถึงจะเรียกว่าเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเป็นกรรมขึ้นมา แถ้าเราขับรถของเราไปดีๆแล้วสุนัขมันวิ่งมาตัดหน้ารถนี้เราไม่ได้มีเจตนาถึงแม้ว่าเราจะทําให้เขาตายแต่ความจริงเราไม่ได้ทำให้เขาตายเขาต่างหากทาให้ตัวเขาเองตายเขาวิ่งมาหารถเองถ้าเขาอยู่เฉยๆเขาก็จะไม่ตายอันนี้ถ้าเรามาศึกษาแล้วเราก็จะ มันเท่าความไม่สบายใจได้เพราะรู้ว่ามันไม่เป็นบามันไม่เป็นเวรกรรมด้วยหมาตัวนั้นจะไม่มาจองเวรจองกรรมกับเราเพราะมันไม่รู้จักเราเราไม่มีเรื่องไม่มีปัญหากับมันมันตายไปมันก็จะไม่มายุ่งกับเราอันนี้แต่ถ้าเราตั้งใจล้วขับรถมาทีไรหมาตัวนี้ชอบมามาเยี่ยวรถยางเราเรื่อยนี่พอข้าวหน้ามาเจอมันเข้าก็วิ่งชนมันเลย ถ้าอย่างนี้เป็นบาปเวลาทําแล้วเราจะตอนตอนน้นอาจจะมีรู้สึกสะใจมันใจแต่ต่อไปเดี๋ยวสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะมีความไม่สบายใจต่อไปมันเป็นดวงวิญญาณมันจะมาทําอะไรเราบ้างรู้เปล่าก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาไม่กล้าไปอยู่ในที่มืดคนเดียวเดี๋ยวกลัวดวงวิญญาณมันจะมาอ ม, มาเอาเรามาทําเราะ แต่ถ้าเราไม่ได้ทำร้ายใครนั้นเราจะไม่กลัวเราจะอยู่คนเดียวที่ไหนเราจะไม่รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใด น, นี่คือความไม่สบายใจที่เกิดจากการทำบาปถ้าเราไม่ต้องการที่จะมีความไม่สบายใจเหล่านี้เราก็ต้องอย่าทำบาปมารักษาสีหน้ากันละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี ละเว้นจากการพูดปดละเว้นจากการดื่มโซรายาเมาเพราะการกระทาเหล่านี้จะไปทำให้ความเสียหายแก่ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเสียหายแล้วมันจะทำให้เราไม่สบายใจถ้าเรารักษาศีลได้ความไม่สบายใจส่วนนี้ก็จะหายไปแต่เรายังมีความไม่สบายใจอย่างอื่นที่เกิดขึ้นได้อีก เรากำจัดความไม่สบายใจที่เกิดจากการใช้เงินใช้ทองผิดประเภทแล้วเราก็มากำจัดความไม่สบายใจที่เกิดจากาการกระทำบาปต่างๆด้วยการรักษาศีลแล้วเราก็ต้องมากำจัดความไม่สบายใจที่เกิดจากความนึกคิดของเรานี่แหละเป็นความคิดของเรานี้มันก็สร้างความไม่สบายใจให้กับเราได้คิดแล้ว บางทีคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงคนนี้ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราต้องการให้ความไม่สบายใจที่เกิดจากความนิดคิดของเราไม่เกิดขึ้นเราก็ต้องมาควบคุมความคิดกันมาหยุดความคิดกันอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดแล้วไม่สบายใจอย่าไปคิด คิดถึงเรื่องที่ไม่ใจไม่สบายใจก็อย่าไปคิดให้คิดแต่เรื่องที่ทำให้เราสบายใจความนึกคิดของเรานี้มันคิดไปได้สองทางคิดไปในทางที่ทำให้เราไม่สบายใจก็ได้คิดไปในทางที่ทำให้เราสบายใจก็ได้เราก็สังเกตดูถ้าเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วไม่สบายใจเราก็อย่าไปคิดมันถ้าเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วสบายใจก็ปล่อยมันคิดไปเราก็ต้องมาหัด หัดวิธีหยุดความคิดกันนั่นเองเหมือนกับเวลาเราขับรถเราก็ต้องหัดหัดหยุดรถให้ได้ถ้าเราขับรถแล้วหยุดรถไม่เป็นเดี๋ยวก็ต้องไปชนกับรถคันอื่นงันการขับรถสิ่งแรกเราต้องเรียนรู้ก็คือวิธีหยุดรถถ้าหยุดรถไม่เป็นอย่าไปขับรถเดี๋ยวเกิดปัญหาแน่นอนถ้าหยุดความคิดไม่เป็นอย่าไปคิดถ้ า, ถาคิดปล่อยให้คิดแล้วเดี๋ยวต้องเจอปัญหาอย่างแน่นอนอ บางทีร่างกายเราสบายเงินทองมีเหลือกินเหลือใช้ไม่ไปทำบาปทำกรรมกับใครแต่เราก็ยังไม่สบายใจได้ไม่สบายใจก็เพราะความคิดของเรานี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ห่วงเขาแล้วก็ไม่สบายใจแล้วคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็โกรธเขาแล้วไม่พอใจก็ไม่ก็ไม่สบายใจขึ้นมาอีกถ้าคิดถึงเรื่องราวที่ทาให้ไม่สบายใจเราต้องหยุดคิดมันให้ได้ วิธีหยุดคิดเราก็ต้องใช้สติถ้าเรามีสติพอเรารู้ว่าเราคิดเรื่องไม่ดีเราก็บอกให้หยุดคิดได้ถ้าเราบอกให้มันหยุดแล้วมันไม่หยุดก็แสดงว่าสติเราไม่มีหรือมีกําลังน้อยเหมือนกับรถถ้าเราต้องการหยุดเพราะเราเหยียบเบรกแล้วมันไม่หยุดเราต้องทํำยังไงก็แสดงว่าเบรกไม่ดีเนะบรกไม่ดีก็ต้องไปเข้าอู่ ไ, ไปให้ช่างดูว่าทำไมเหยียบเบรกแล้วรถมันไม่หยุดน ชางก็บอกว่าเบรกเสียผ้าเบรกหมดต้องเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่เราก็เหมือนกันเบรกใจของเราคือสติพอเราคิดไม่ดีเราสั่งให้มันหยุดอ่ะมันไม่ยอมหยุดก็ต้องทำไงก็ต้องไปเข้าอู่ไปหาพระไปหาพระปฏิบัติผู้รู้จักวิธีสร้างสติพระก็บอกว่าสติคุณไม่ดีคุณต้องมาสร้างสติวิธีสร้างสติก็ต้องมีกรรมฐานเป็นตัวสร้าง กรรมฐานนี่มีอยู่สิบสี่สิบชนิดด้วยกันให้เราเลือกกรรมฐานชนิดที่เราชอบชนิดที่เราใช้กันทั่วไปก็คือพุโทโธพุโทโธแทนเวลาใจเราคิดที่เรื่องถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจก็ใช้พุโทโธหยุดมันต้องพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปสู้กับมันอย่าปล่อยให้มันคิดถึงคนที่ทำให้เราไม่สบายใจถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธต่อไป ใจเราก็จะหยุดคิดได้เพราะหยุดคิดความไม่สบายใจก็จะหายไปนี่วิธีแรกคือ ว, วิธีหยุดความคิดที่ทำให้เราไม่สบายใจเวลาเราโกรธใครก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอเราไม่ไปคิดถึงคนที่เราโกรธเดี๋ยวความโกรธก็หายไปแต่เราจะมาทำในตอนที่เกิดความโกรธไม่ได้ มือนเราจะมาซ่อมเบรกมาสร้างเบรกตอนที่เราขับรถไม่ได้ถ้าเราขับรถแล้วเราต้องการหยุดรถแล้วเรามามามาเติมเบรกตอนนั้นมันจะไม่มันไม่ทันการเราต้องไปเติมเบรกไปเตรียมเบรกไว้ก่อนเราต้องไปเตรียมพุโทโธไว้ก่อนเราต้องหัดพุดโทโธท่องพุโทโธกันไว้ก่อนเพราะถ้าทัน ถัดท่องพุโทโธไม่เป็นเวลาเกิดความโกรธมันจะไม่ออกม า, าสิมันจะเอาแต่โกรธอย่างเดียวมันจะคิดแต่จะอาฆาตพยาบาทอย่างเดียวจะให้มันหยุดมันไม่หยุดจะให้มันพุโทโธมันก็ไม่ยอมพุโทโธดังนั้นก่อนที่เราจะใช้พุโทโธมาหยุดความคิดที่ไม่ดีได้เราต้องฝึกพุโทโธไปก่อนซ้อมพุโทโธไปก่อ น, นเวลาที่เรามี อารมณ์สบายสบายเวลานั้นน่ะเป็นเวลาที่เราจะควรจะมาฝึกพุทโธกันเช่นเวลาตื่นเช้าขึ้นมานี่พอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธได้เลยท่องพุทโธพุทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธพุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธไปทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็หัดพุทโธพุทโธไป ถ้าทำเราทาอย่างนี้ไปต่อไปพุโทโธมันจะติดอยู่กับใจเราพอเราต้องการใช้มันมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเหมือนเรามีเบรกแล้วทีนี้พอเราไปคิดเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราเศร้าใจเราก็ท่องพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปพอท่องพุโทโธไปบางทีไม่ถึงนาทีหนึ่งหายแล้วความไม่สบายใจต่างๆอันนี้เป็นวิธีแรกของการ แก่ความไม่สบายใจที่เกิดจากความคิดถ้าแต่เป็นวิธีชั่วคราวที่เราจะต้องแก้อยู่เรื่อยๆต้องใช้พุทโธอยู่เรื่อยๆวิธีที่สองที่จะทำให้เราแก้ความคิดที่ทำให้เราไม่สบายใจอย่างถ้าวอนก็คือเราต้องมาเลือกดูเอาว่าความคิดที่ไม่สบายใจนี้มันเป็นอย่างไรความคิดที่ไม่สบายใจนี้ส่วนใหญ่ มันเป็นเพราะมันมีความอยากติดมาด้วยอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้พอคิดแล้วพอไม่ได้ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเราอยากจะทําให้ความไม่สบายใจที่ติดกับความคิดที่เกิดจากความคิดนานี้ไม่ให้มันคิดแล้วไม่สบายใจให้ทําอย่างไรก็ให้มันคิดแบบไม่มีความอยากติดมา คิดอะไรก็คิดได้คิดถึงคนนั้นก็อยากไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คิดถึงสิ่งนั้นก็อยากไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาถ้าคิดเฉยๆแล้วไม่เดือดร้อนฮะเี่ยตอนนี้คิดถึงเงินร้อยล้านพันล้านถ้าไม่ไปอยากได้มาจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยแต่ถ้าพอคิดว่าอยากจะได้ขึ้นมาทีนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วยินถ้าเป็นสมบัติของพ่อแม่ทิ้งไว้ให้แต่ต้องมาแบ่งกับพี่กับน้องนี่ทีนี้คิดถึงเงินร้อยล้านพันล้านนี่มันจะคิดด้วยความอยากได้ ทีนี้มันจะกินไม่ได้นอนไม่หลับขึ้นมาแต่ถ้าคิดว่าเอามันไม่ใช่เป็นเงินของเราของพ่าของแม่จะเท้าให้เราก็เอาไม่ให้เราเราก็ไม่เอาเราก็นอนหลับสบายทีนี้นเราต้องมาเอาเอาความอยากออกจากความคิดต่างๆให้ได้คิดแบบไม่มีความอยากติดมาแล้วความไม่สบายใจจะไม่เกิดขึ้นคิดถึงเงิน คิดถึงเงินทองก็ไม่มีความอยากได้คิดถึงตำแหน่งก็ไม่อยากได้จะสบายใจ เ, เวลาจะมีเดอนขั้นเลื่ อ, ตอนตาแหน่งกันนี้บางทีจ้องกันตาไม่กระพริบเลยใครจะได้วะเพราต่างคนต่างอยากได้กันพอไอ้คนไม่ได้ก็เสียใจในขณะที่ยังไม่ได้ก็ตื่นเต้นกันโอ้ยใครจะได้ลุ้นกันใหญ่นี่คิดคิดด้วยความอยากมันจะทาให้มีความไม่สบายใจตามมา ถ้าอยากจะคิดแบบไม่มีความไม่สบายใจตามมาอยากคิดด้วยความอยากคิดได้คิดถึงตำแหน่งก็ได้ตำแหน่งนี้เหมาะสมกับใครใค ร, ใครควรจะได้รับก็คิดไปได้แต่อย่าไปอยากได้พออยากได้ขึ้นมาใจจะไม่สบายใจขึ้นมาใจจะสั่นขึ้นมาทันที อันนี้คือวิธีแก้ความคิดแบบถาวรถ้าเราคิดแบบไม่มีความอยากนี้เราคิดได้คิดได้ทุกเรื่องคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดแล้วเราก็เฉยเฉยเท่านั้นเองใครจะเป็นนายกก็เฉยเฉยไปถ้าเราไม่ได้คิดด้วยความอยากว่าต้องให้คนนั้นเป็นคนนี้เป็นเราก็จะไม่มีความรู้สึกไม่สบายใจแต่อย่างใด อันนี้คือวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากความคิดอย่างถาวรต้องสอนมันให้คิดแบบไม่มีความอยากติดมาคิดได้คิดถึงเรื่องอะไรก็คิดไปแต่อย่าให้มันอยากขึ้นมาถ้าอยากบ้างมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาทันทีเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาทันที น, นี้แหละคือวิธีกำจัดความไม่สบายใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปนนแล้วเป็นการกาจัดอย่างถาวร เพราะเราจะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไปเพราะเราจะไม่ต้องใช้ร่างกายในการาหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายกต่อไปเราก็จะไม่มีความทุกข์จากการทําบาปเราจะไม่มีความทุกข์จากความคิดต่างๆ เพรความคิดของเราบริสุทธิ์เป็นความคิดที่สะอาดปราศจากความอยากติดมาด้วยนั่นเองใจของเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้ากับพระอรัลลานตสาวกท่านได้ปฏิบัติทานศีลภาวนามาจนทําให้ความไม่สบายใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของท่านหายไปหมดเหลือแต่ความสุขใจ ที่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจที่เรียกว่าบรมสุขและเป็นความสุขที่ถาวรที่เต็มเปี่ยมตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เราจะสามารถเข้าถึงได้ถ้าเราได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมกันจึงขอให้ท่านพยายามเข้าหาธรรมะกันอยู่เรื่อยๆศึกษาแล้วก็นำอาอกไปปฏิบัติแล้วต่อไป ผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับกันอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาเรวะหาปุราปาริปุเรนติสาคขังเอวเมวาอิโตทิน e ังเปตานังอุปกาปติอ an ิทิตังปฏทิต um ังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสะเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาวาโสยาถา มณีโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตุอันตรายุสุขีทิขายุโกภวา พิวาทานสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวนโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากจะถามเองเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีเข้ามาเท่าไหร่ทาง f ฟ c e b o o สามร้อยสามคนครับ y o u t u สองร้อยสามสิบคนครับวิทยุออนไลน์ยี่สิบสามคนครับผู้รับฟังบนเขาสองร้อยห้าสิบคนครับรวมทั้งหมดแปดร้อยหกคนครับพระอาจารย์วันนี้คนมาบนเขาเยอะสองร้อยกว่า ปกติจะมาประมาณร้อยยี่สิบธรรมดาแต่ถ้าไม่มีวันหยุดยาวก็มักจะมีเพิ่มตอนนี้ถ้าใครมีคำถามก็ยกมือขึ้นมาจะส่งไหม l ไปให้ใครช่วยบริการเรื่องใหม l หน่อยนะช่วยพูดใกล้ๆปากเลยนะพูดเสียงดังๆหน่อยหนูเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจิต มันนั้นหนูถามแล้วแต่คือว่าหนูยังไม่เคลียร์หนูเคยมีจิตที่สกปรกแล้วอยู่ๆจิตนั้นก็หายไปแล้วอยู่ๆก็เหมือนกับว่าได้จิตว่างจากว่างแล้วก็กลายมาเป็นจิตสมาธิแต่หนูยังทำงานอยู่ทำไมแล้วอยากจะรู้อะไรเลยหนูอยากจะรู้ว่าหนูควรจะทำตัวอย่างไรคะ ก็พยายามทําให้มันว่างทําให้มันสะอาดที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่ามันยังไม่แน่นอนบางทีมันพลิกได้แต่เราสามารถทําให้มันไม่พลิกได้ด้วยการฝึกสติด้วยการฝึกสมาธิฝึกปัญญาต่อไปจิตของเราก็จะสะอาดจะไม่คิดเรื่องสโสโครกทั้งหลายอจิตเราจะสงบเป็นสมาธิตลอดเวลาค่ะ บางครั้งหนูว่าสริรหนูทํางานเสืร์ฟอาหารนะคะมือหนูเสิร์ฟแต่คือว่าจิตหนูเหมือนสมาธิพูดไกล้ปากหน่อยเสียงมันก็ดังอ่าหนูสืร์ฟอาหารหนูทํางานอยู่แต่คือว่ามือทํางานแต่จิตนะ่ะเหมือนนั่งสมาธิเหมือนสมาธิก็เพราะว่าเราไม่ควบคุมจิตไงปล่อยให้มันเป็นไปตามความต้องการของมัน เราต้องใช้สติฝึกมันเวลาเราทำงานต้องบังคับให้มันอยู่กับงานไม่งั้นเดี๋ยวงานที่เราทำอาจจะเสียหายได้เวลาไม่ทำงานค่อยปล่อยให้มันเป็นสมาธิแต่เวลาทำงานก็ต้องใช้สติควบคุมให้มันอยู่กับงานที่เราทำพุทโธพุทโธไปดึงกลับมาดึงให้มันกลับมาอยู่ที่งานที่เรากำลังทำอยู่แต่ตอนนิสติเรามีกำลังน้อย จิตมันก็เลยทำอะไรตามอำเภอใจของมันถ้าเราต้องการควบคุมจิตเราต้องใช้สติเป็นเครื่องควบคุมต้องหัดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะดึงจิตมาให้ทำตามที่เราสั่งได้ค่ะแต่หนูก็หนูก็ยังไม่เข้าใจคำว่าสติอ่ะก็องพุทโธเนี่ยให้ทําพุทโธไปก็มีสติขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะมีสติ สามารถควบคุมจิตได้เอสั่งให้มันหยุดคิดก็สั่งได้สั่งให้มันอยู่กับงานที่เราทําก็สั่งได้คราวนี้สั่งไม่ได้เพราะไม่มีสติงั้นก็ต้องใช้พุโทโธสร้างสติขึ้นมามันท่องพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆอแล้วต่อไปเวลามันจะทําอะไรมันไม่ฟังเราเราก็ใช้พุโทโธหนึ่งมันกลับมาได้งั้นหัดท่องพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วจ ะ, จ ะ, จ, ะจะมีสติควบคุมใจต่อไป อานะมีอะไรอีกไหมอ่าไม่มีก็ขอใหมก่กลับมาเราด็อกเตอร์ไม่มีอะไรถามเลยจบด็อกเตอร์แล้วไม่ใช่นะยังเหรออ่ากายแล้วคำถามฝากถามค่ะถ้าเราเคยใส่บาทอยู่ตลอดแล้วเปลี่ยนเอาเงินที่ใส่บาท มาใส่ซองถวายพระจะได้บุญเหมือนกันไหมเจ้าคะ่ะเหมือนกันเพียงแต่ว่าควรจะให้มีลูกศิษย์รับแทนพระเพราะตามกฎระเบียบของพระท่านไม่ให้รับกลับมือให้ฝากกับลูกศิษย์ไว้แต่บางทีท่านก็รับเพราะความเก่งใจเพราะตอนนั้นไม่มีลูกศิษย์มารับก็รับไปชั่วคราวแต่ถ้าให้ดีก็ให้ฝากลูกศรริษย์ไว้ จะดีกว่าบอ ก, กบพระได้ว่าถวายเงินไว้ให้อยู่กับลูกศิษย์พระจะได้รู้จะได้ไปตามเอาจากลูกศิษย์ได้ถ้าไม่บอกพระก็ไม่รู้ลูกศิษย์ไม่บอกก็ลูกศิษย์ก็าไปใช้ได้เออแต่สมัยนี้มีพระอยู่สองสายสายที่ท่านรับเงินกับมือได้กับสายที่รับไม่ได้เห็นถ้าไปเจอพระที่รับได้ก็ถวายท่านไปก็ได้สายสองถวายท่านไป แต่ถ้าไปเจอพระที่ท่านไม่รับก็ต้องบอกว่าท่านมีลูกศิษย์ไหมฝากใครไว้กับใครได้หรือเปล่าถามท่านดูถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าท่านไม่รับเงินก็ไม่ต้องถวายเงินไปถวายเป็นของแทนไปอีกคำถามจากท่านเดียวกันค่ะความเชื่อโบราณว่าใส่บาตรเป็นข้าวทิพน้ำทิพอันนี้จัดเป็นบุญประเภทไหนเจ้าคะก็บุญนี่แหละเป็นข้าวทิพน้าทิพ เวล า, เาทำบุญแล้วจิตใจเราอิ่มร่างกายเราไม่ได้กินข้าวร่างกายเราก็เหมือนเดิมเวลาเราทำบุญแต่จิตใจเราเปลี่ยนไปจากจิตใจที่ไม่อิ่มกายเป็นจิตใจที่อิ่มขึ้นมาบุญก็คืออาหารทิพเน่ใจก็เป็นกายทิพเน่ใจไม่ได้เป็นร่างกายเป็นคนละส่วนกับร่างกายร่างกายจะอิ่มก็ต้องกินอาหารของร่างกาย ใจจะอิ่มก็ต้องกินอาหารของใจก็คือบุญนี่เองอั น, นิส้ทรงของการฟังเทศธรรมะของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันและอนาคตคืออะไรคะเหมือนกันไม่ว่าอาดีตปัจจุบันหรืออนาคตประโยชน์ที่ได้รับมีอยู่ห้าข้อด้วยกันหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมะที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสอง จะได้ยินธรรมะที่เราถ้าเราได้ยินธรรมะที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วได้ยินฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะทำให้ความสงสัยต่างๆหายไปได้สี่ทำให้เกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่ากายเป็นไม่ใช่กายเป็นบ่าวใจเป็นนายอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องตอนนี้เรามีความเห็นว่าใจกับกายเป็นอันเดียวกัน อันนี้เป็นความเห็นผิดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงความเป็นจริงกายกับร่างกายเป็นคนละคนกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจไม่ตายไปไปกับร่างกายนี่คือความเห็นที่ถูกท่องปัญญาถ้าเห็นแล้วจะทําให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายเราจะได้ไม่กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายเพราะเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายนะแล้วข้อสุดท้าย จะทำให้จิตสงบผ่องใสเบิกบานฟังเทศฟังธรรมแล้วจิตจะสบายโล่ง อ, อกโล่งใจเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจนี่เกิ อ, อนันิสงส์ไม่ว่าจะฟังในอดีตสมัยพระพุทธเจ้าหรือสมัยปัจจุบันที่พวกเราฟังกันอยู่หรือสมัยอนาคตแต่จะฟังให้เกิดอนันิสงส์ได้ต้องฟังด้วยใจกายวาจาใจที่สงบ และธรรมที่ฟังต้องเป็นธรรมแท้ด้วยถ้าเป็นธรรมปลอมมันก็ไม่เกิดผลเหมือนกันเหมือนเอาแบงปลอมไปซื้อของซื้อไม่ได้เหมือนกันต้องเป็นแบงแท้ธรรมที่ฟังต้องเป็นธรรมแท้ด้วยธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติถ้าธรรมที่เกิดจากการการเรียนเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติไม่ถือว่าเป็นธรรมแท้ฟังแล้วบางทีงงแทนที่จะหายสงสัยกับงง แทนที่จะเกิดปัญญาความเห็นที่ถูกต้องกลับจะไปเห็นความผิดเห็นผิดไปได้เพราะฉะนั้นจะให้เกิดอนิสงส์ทั้ง5ประการนี้ผู้แสดงต้องมีธรรมแท้มาแสดงผู้ฟังก็ต้องมีกายวาจาใจที่สงบคือตั้งใจฟังไม่ทานู่นทานี่ไม่พูดคุยกันไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วประโยชน์ทั้ง5ประการนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาในใจ คำถามฝากถามอีกคำถามค่ะกรณีที่ไปงานศพแล้วรับประทานอาหารที่งานศพได้ไหมเจ้าค้าถูกไหมเจ้าคะ่ะงานที่งานศพอาหารที่งา น, าางานแต่งงานมันก็อาหารเดียวกันแหละมันก็มาจากตลาดอันเดียวกันอทําในหม้อเหมือนกันต้มด้วยไฟเหมือนกันมันไม่ต่างกันหรอกต่างที่งานเท่านั้นเองงานศพก็เป็นงานคนตายงานแต่งก็เป็นงานคนเกิดแต่งแล้วเดียวก็มีคนเกิด ก็เท่านั้นเองอาหารเหมือนกันกินได้เหมือนกันคำถามจากคุณซอซอค่ะทำบุญกับพ่อแม่ได้อนิสงฆ์มากที่สุดใช่ไหมเจ้าคะแล้วทำบุญกับพระ อ, อรหันต่างกันอย่างไรเจ้าค ะ, ะพระอรหันจะได้บุญมากกว่าเพราะว่าพระอรหันจะให้อะไรที่พ่อแม่ให้ไม่ได้ให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ พ่อแม่ให้ร่างกายกับเราแต่พ้าอาหานพระพุทธเจ้าจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปคำถามจากคุณหยกน้อยเมื่อกี้เจอนกเดินกลางถนนจอดให้แล้วบีบแต่แล้วนึกว่ามันเดินออกไปแล้วแต่ดันทับปีกมันเจ้าค่ะจะเป็นบาปไหมคะ เราเมื่อกี้ก็เทศแล้วเราไม่มีเจตนามันขวางทางเรามองไม่เห็นเราคิดว่ามันไม่มีแล้วเราก็ขับรถไปตามภาษาของเราก็ไปเหยียบมันตายคำถามจากคุณจินคอบการทำบุญกับบิดามารดาที่ดีก็คือการส่งเสริมให้ท่านได้เข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างนี้ถูกไหมครับ ถ้าทำได้แต่ทำไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องทำที่ร่างกายก่อนให้ท่านอยู่ดีกินดีก่อนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องคอยดูแลรักษาท่านไปส่วนเรื่องเข้าถึงพระรัตนตยได้หรือไม่นี้ก็อยู่ที่ศรัทธาของท่านด้วยถ้าท่านไม่มีศรัทธาก็อาจจะไม่ยอมเข้าก็ได้ฉะนั้นวิธีเดียวที่จะทำให้ท่านเข้าได้ก็ต้องเข้าหาพาท่านไปหาพระรัตนตยแท้ๆไปหาพระจริง ไปหาพระอริยสงฆ์งนี้ถ้าท่านได้ฟังจากพระอริยสงฆ์แล้วก็อาจจะเกิดศรัทธาขึ้นมาได้คนบางคนเล่าให้ฟังว่าไปฟังเทศที่ไหนก็ไม่เกิดศรัทธาพอไปฟังจากหลวงตามหาบัวที่นี้เกิดศรัทธาขึ้นมาจิตใจฝ่ายหาอยากจะไปฟังเทศฟังธรรมจากหลวงตาอยู่ตลอดเวลาเพราะทำแท้กับทำปลอมมันไม่เหมือนกันพระแท้กับพระปลอมไม่เหมือนกัน เหมือนทองแท้กับทองเก๋ไม่เหมือนกันใช่ไหมงั้นถ้าอยากจะให้พ่อแม่เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยต้องเข้าหาพระ อ, อริยะพระรัตนสังฆรัตนแล้วก็จะเกิดศรัทธาได้อีกคำถามค่ะจากท่านเดียวกัน เวชสันดรท่านทําทานกับตาชูชกซึ่งเป็นขอทานไม่ได้เป็นผู้ทรงศีลสูงประการใดท่านทําใจของท่านอย่างไรครับที่ไปทําบุญกับตาชูชกได้ อ, อท่านก็มองว่าเป็นผู้ตกทุกข์ยาก ไ, ได้ยากเดือดร้อนท่านไม่ได้ดูว่ารวยหรือจนดีหรือชั่วถ้าเขาเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือก็ไปตามความต้องการของเขา คือความต้องการของร่างกายของเขาไม่ว่าจะเป็นโจรหรือเป็นคนดีตำรวจก็ยังต้องช่วยใช่ไหมตำรวจไปป้อนไปจับโจรผู้ร้ายยิงกันผู้ร้ายบาดเจ็บก็ยังต้องช่วยผู้ร้ายพาเข้าโรงพยาบาลอรักษาให้เข้ากินให้กินติดคุกก็ยังต้องเลี้ยงข้าวเขาใช่ไหมอันนี้ก็ช่วยในเรื่องมนุษยธรรมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉาน ก็เป็นความเมตตาเออพราะชูโชคนี้ท่านให้ด้วยความเมตตาท่านไม่เลือกสัพเพสัตว์ตาไงัำว่าสัพเพแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่สัตว์เฉพาะคนนี้เฉพาะคนนั้นทําแต่คนดีคนไม่ดีไม่ทําทำแต่คนรวยคนไม่รวยไม่ทําอย่างนี้ไม่ถูกท่านทํากับทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครถ้าเขาเดือดร้อนถ้าเขาขาดแคลนในปัจจัยสี่ก็ช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยกันไป คำถามจากคุณแคทค่ะเราทำบุญกับคนในบ้านแต่คนในบ้านไม่รู้จักอิ่มพอตำหนิเราเรื่องเราทำบุญนอกบ้านกับบ้านยากไร้ทำโรงทานทำกับวัดหรือแม้กระทั่งการบวชแบบนี้เราผิดไหมเจ้าคะอ๋อไม่ผิดดอกก็ มันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์น่ยคือกิเลสมันได้เท่าไหร่ก็ไม่พอลองไปทํากับวัดแล้วไปอยู่กับวัดเรื่อยๆเดี๋ยวก็เบื่อเองเงดี๋ยวก็ขอนูน่นขอนี่เพิ่มไปเรื่อยๆเหมือนกันเนี่ะงั้นทําใจถ้าเถิดว่าเราช่วยเขาเราช่วยตามกําลังของเราอย่าไปฟังเสียงของเขาเขาจะพอใจไม่พอใจก็เรื่องของเขาเราทําไปตามกําลังของเราเท่า น, นั้นเอง ถ้าเขาขอให้ทำเพิ่มเราไม่มีกำลังทำก็ไม่ต้องทำแล้วเราจะไม่รู้สึกไม่สบายใจที่เราไม่สบายใจเพราะบางทีเราทำแล้วอยากจะให้เขาชมเราเพอเขาไม่ชมเราเพราะเขาโกรธอารมณ์ไม่ดีเขาก็พูดไม่ดีกับเราอันนั้นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเราอย่าไปต้องการอะไรจากใครในการทำบุญของเราทำแล้วถ้าให้เขาได้รับการช่วยเหลือได้บรรเทาทุกข์ก็พอ ส่วนเขาจะพอใจหรือไม่พอใจเขาจะชอบเรารู้เกลียดเราอนี้เราไปบังคับเขาไม่ได้คำถามจากคุณต้นกล้าค่ะพระอริยบุคคลระดับโซดาบานันพระสกิทาคามีตายแล้วไปอยู่ชั้นไหนคะจำเป็นไหมคะที่ต้องรอเกิดเป็นมนุษย์ก่อนจึงจะปฏิบัติต่อได้ก็ต้องถ้ายังไม่บรรลุขั้นที่สูงกว่าก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ พระโสดาบันก็เจดชาติเป็นอย่างมากพระสกิก็หนึ่งชาติเป็นอย่างมากแต่ระหว่างที่เป็นเทวดาก็สามารถปฏิบัติทำได้แต่อาจจะช้าเพราะว่ า, า จ, จะไม่มีอะไรมากระตุน้นเพราะเวลาเป็นเทวดามันสบายมันก็เลยขี้เกียจปฏิบัติต้องมาเป็นมนุษย์มาเห็นความทุกข์พอมีความทุกข์มันก็จะกระตุ้นจิตทุกข์บอกมีปัญญาบอกเกิดน เนผู้ที่ต้องการที่จะก้าวหน้าทางธรรมนี้ต้องไปหาความทุกข์กันอย่างพระทุดดงนี่ท้าไม่ทาไมไม่อยู่บ้านให้สบายติดแอร์ติดปรับอากาศเหมือนพระที่อยู่ในเมืองเพราะท่านต้องการปัญญาปัญญาจะเกิดก็ต้องเจอความทุกข์ท่านก็เลยต้องไปอยู่กับสถานที่ทุกข์ยากลำบากมีภัยรอบด้าน มันก็จะกระตุ้นให้เกิดปัญญาขึ้นมาแต่ถ้าอยู่ที่สุขที่สบายมันก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็เลยไม่มีอะไรมากระตุ้นให้สร้างปัญญาขึ้นมานั่นเองท่านถึงพูดว่าทุกข์บ่มีปัญญาบ่กเกิดปัญญาบ่เกิดทำก็ไม่บรรลุทมก็บ่เกิดจะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ก็ต้องบรรลุด้วยปัญญา งั้นถ้าเป็นเทวดานี้โอกาสอาจจะไม่ได้ปฏิบัติเพราะจะมัวเพลิเพลินกับรูปทิพย์เสียงทิพย์เนรมิตได้คิดอยากจะได้อะไรสวยๆงามๆก็เนรมิตขึ้นมาในใจแล้วก็เสพสิ่งที่เราเนรมิตขึ้นมาเองมันก็เลยไม่มีเวลามาปฏิบัติไม่เห็นสุภาไม่เห็นอะไรความแก่ความเจ็บความตายกันอันนี้ต้องรอให้มาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะมีอะไรกระตุ้นให้ ปฏิบัติให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้บรรลุธรรมขั้นที่สูงขึ้นไปต่อไปหมดได้วยังมีสองสามคำถา ม, ถามอาีกไหได้คำถามเดียวคำถามสุดท้ายจากคุณสายลมที่พัดผ่านคะ่ะเวลาที่แม่สวด พระคาถาชินบัญชรทุกครั้งหลับฝันไปชอบฝันไม่ดีควรแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะจะเลอกจะเลิ ก, เลกสวดบทนี้ไปเลยดีไหมเจ้าคะ อ, อ๋อไม่เกี่ยวกับบทสวดมนต์สวดมนต์มันจะต้องฝันดีแครที่ฝันไม่ดีเพราะบาปที่ทำมามันมีมากอยู่ในใจมันเลยผักดันให้จิต สร้างความฝันที่ไม่ดีขึ้นมาวิธีก็คือต้องใจเย็นๆสวดไปเรื่อยๆแล้วก็ทำบุญเพิ่มให้มากๆใส่บาตรทุกวันช่วยเหลือคนยากคนจนทำคุณทำประโยชน์ให้ก่สังคมแล้วต่อไปบาปมันก็จะอ่อนกำลังลงบุญก็จะมีกำลังมากขึ้นต่อไปอฝันไม่ดีก็จะไม่เกิดจะมีแต่ฝันดีตามม า, าแล้วในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา